ขอความสุขความเจริญจงอแตดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องภะษาริบุตรอีกตอนหนึ่งพระาศาสดาทรงประรบระสาริบุตรในการเมื่อยังแสวงหาโมกขธรรมอยู่ คือความเป็นมาของพระสายดุบุตรนั้นอย่างที่เคยเล่าว่าท่านเป็นลูกของนายบ้านอุปติสขามมีมานดาชื่อว่านางสารีบิดานั้นคงจะตายไปก่อนเพราะว่าตลอดเรื่องเนี่ยเราไม่เคยพบบิดาเลย ท่าเรียนจบสาเพศและเวททางษาสตร์คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพรามนั้นทันแตกฉานมากมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอัตรกรถาเราว่ามีเงินถึงหกร้อยห้าสิบกูดก็ถือว่ามากจริงๆ ก็เนื่องจากเป็นลูกกวัวปีของครอบครัวทิทางธรรมเนียมทรามนั้นถือว่าเป็นผู้ปิดประตูนรกให้แก่พ่อแม่หมายความว่าถ้ามีบุตรชายบุตรชายก็จะปิดประตูนรกที่ชื่อว่าปุตตะไม่ท่านจึงได้รับการดูแลโกรใจจากพ่อแม่เป็นอย่างดี เพราะกันจึงเที่ยงเร่หาความสนุกสนานสำราญใจแบบคนหนุ่มคู่กับโกลิตะมานุหรือว่าพระมุคลานะในทีหลังมีก็เหมือนกันมีฐานะมัง่งครั้งร่ำรวยระดับเดียวกันเป็นหัวหน้านายบ้านด้วยกัน แต่ปกติแล้วท่านก็ไปเที่ยวหาความสำราญโดยการดูการแสดงการละเล่นที่กรุงราชครึกแต่บ้านของท่านอยู่ที่เมืองนาลันธาท่านที่เคยไปเที่ยวที่กรุงราชครึกรก็ดีนาลันทาก็ดีจะเห็นว่าก็ไม่ใช่ใกล้นะฮะสหรับยุคสมัยตรงนัน้แต่ท่านก็ไปมาได้ทุกวัน ในช่วงแรกๆ ก, ก็รู้สึกเพลิดเพลินรับระสาคุนหนุ่มรามองไปมิติเดียวคือด้านการแสดงการสุดสนุกสนานบันดานใจของคนหนุ่มคนสาวแต่ว่าในการต่อมาท่านเริ่มได้คิดว่าเออเราใช้ชีวิตในลนนักษณะนี้มันได้ประโยชน์อะไร เราเองก็แก่ไปทุกวันเพื่อเราก็แก่ไปทุกวันกูแสดงนี่ก็แก่ไปทุกวันแต่คนในครอบครัวเราก็แก่กันไปทุกวันเพราะนั้นความคิดมันคล้อยตามวิธีคิดของพระโพธิสัตว์คือมองเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็ประสบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีที่สิ้นสุด ยังเห็นว่าการใช้ชีวิตแบบหนุ่มเจ้าสรานอย่างนี้ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรก็ตัดสินใจที่จะแสวงหาโมระธรรมคือธรรมะที่ทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์คือเกิดแก่ตายแต่คำว่ า, าโมระธรรมนั้นเป็นการเรียกถึงผลในลทัทธินั้ น, น, น แล้วแต่ใครจะกําหนดว่าความหลุดพ้นมันอยู่ในระดับใดเพราะันเวลาจำแนกแสดงเนี่ยพูดถึงความหลุดพ้นแล้วก็พูดไปตั้งแต่นี้แหละตั้งแต่เรื่องของสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยงยิง่งคือจากรูประชานขึ้นไป แต่ละฌานก็ถือว่าเป็นทางหลุดพ้นด้วยกันบน า, ารดาฌา์ที่บำเพ็ญฌานก็ได้ปฐมฌานบ้างทุติฌานบ้างตติฌานบ้างเจตุตฌานบ้างแล้วก็ถือว่าฌานแต่ละฌานนั้นเป็นทางหลุดพ้นบางท่านที่ฉลาดแหลมคมลึกซึ้งกว่านั้นก็จะขึ้นไปที่อรูปฌานก็อีกแหละ ก็ถือว่ารูปชาติที่หนึ่งสองสามสี่นี่แหละเป็นทางหลุดพ้นพอเชื่อถือกันในทํานองนั้นโดยความเชื่อที่เป็นพื้นฐานเนี่ยคือถือว่าสัพพิทรัพย์ชีวิตนั้นมาจากสิ่งสูงสุดสมัยโบราณจริงๆเรียกว่าปรมาตมัน มาตามันพรหมมันต่อๆกันมานะครับแล้วบางทีก็อยู่ในยุคเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกชื่อสามชื่อในการต่อมาก็เป็นประชาบดีเป็นพระพรหมเป็นพรหมมันแล้วก็เป็นพระพรหมแล้วก็เป็นพระพรหมอีกระดับหนะึ่งคือพระพรหมยุคแรกนั้น เป็นนปุงสักกลิงคือไม่มีเพศก็เรียกว่าเป็นกระเทยอ่ะเพราะว่าเขากลัวจะสับสนในเรื่องเพศอย่างพระอินท์ซึ่งเคยเป็นใหญ่มาก่อนคำว่าอินโทรหรืออินทะนี่ตีิศจริงก็แปลว่าเป็นใหญ่แต่ว่าเวลาเรามาเขียนเราเขียนเป็นสันสกฤตก็คืออินทระก็แปลว่าเป็นใหญ่เหมือนกันนั่นแหละ ผลสิ่งสูงสุดในตอนต่อมาก็กลายเป็นพระพรหมพระพรหมก็คงเป็นอยู่นานเน่ยเพราะว่าสมัยพุทธกาลเองก็ยังเรียกพระพรหมอยู่เพียงแต่ว่าพระพรหมในความหมายของเขากับความหมายของเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะพระพรหมในพระพุทธศาสนานั้นเป็นผลของฌานคือมีเยอะ แล้วก็มีมหาพรหมในชั้นต่างๆทั้งสิบหกชั้นแต่พระพรหมในความหมายของเขาหมายความว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดเป็นที่มาของสรรพสัตว์สรรพสิ่งเป็นผู้สร้างโลกสร้างชีวิตก็แต่ก่อนเราเข้าใจว่าการเกิดในโลกการมีชีวิตนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข พอเกิดขึ้นจริงปรากฏว่าเป็นทุกข์ก็ต้องการหลุดพ้นไปจากโลกก็เสแบงหาทางก็เรียกว่าโมกษะสเนี่ยในกรรมพิธีมันมีอยู่เยอะมากแต่แนวหนึ่งมันเป็นแนววัตถุนิยมเรียกว่าจารว่าบ้างเรียกว่าโลกาจะตะบ้าง ก็ถือว่าชีวิตคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวก็จบกันพวกนี้ไม่ค่อยอินังขังขอบเรื่องบาบุญคุณโทษอะไรเราก็ถือว่าชีวิตมันก็จบลงที่ตายตว่าชีวิตมันมีกองขี้เท่าเป็นที่สุดจำนวนของเขาบอกว่าอย่างนั้นด้ว น, นก็พยายามแสวงหาความสุขในรูปของการปลนปลือตัวเอง บำรบำเรอบำรุงบำเ ร, อ, ำ ร, ำรอตัวเองพยายามตอบสนองความต้องการในทางเนื้อหนังมังสานี่มากจนขนาแม้แต่เรื่องเทพปฏิดากับเทพประบุรเนี่ยหนึ่งต่อห้าร้อยหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อหลายหลายพันจนถึงกับประสีอานบรมโพธิสัตว์ ในเรื่องพระมาลัยเทวเทศเนี่ยพูดถึงบริวารประสีอ่านว่าห้อมล้อมประสีอ่านโพธิสัตว์มาไหวพระจุลามณีเจดีสวรรค์สีโกดกับสีท่ทีคือหมายความว่าห้อมล้อมประสีอา่านในด้านละสี่โกดโกดหนึ่งก็เท่ากับสิบล้าน เราจะเห็นว่าสิบล้านก็ร้อยแสนนะเพิ่มมันมากมายก่ายกายองไปเกนินมากกว่าประชากรในประเทศไทยปัจจุบันด้นั่นก็เป็นการพูดเข้าใจว่าขยายกันขึ้นไปเพราะโดยเหตุผลแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ย ไอ้คนทําความดีระดับที่จะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์นี่มีไม่มากหรอกและยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งน้อยเท่านั้นปัญหาสําคัญเอาเทศที่ดามาจากไหนไปเกิดที่นั้นมากหรืเกิดแต่คนไปไห น, น, นมากก็พอใจในแบบนั้นพวกนี้ถือว่าโลกเที่ยงนะฮะก็พวกพวกแบบเดียวกับที่ภาษาริบุตรบาเพ็ญเนี่ย ไอพวกขาดศูนย์ก็บุ่งปรนปลือในโลกมนุษย์เราเห็นว่าแนวตะวันออกกลางเนี่ยความคิดคล้ายๆกันแนวที่อินเดียก็ความคิดคล้ายๆกันคือพวกเศรษฐีกับกษัตริย์เนี่ยจะมีสาวสันกับนันหน่มากมายกายกองขนาดของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็พูดถึงหกมืนนะครับ ว่ามีสาวสันกำนันในห้อมล้อมดูแลปฏิบัติวัดถากอยู่ถึงหกหมื่นหกหมืนั่นไม่ใช่เล่นนะคนกว่าอำเภอนะอำเภอบางอำเภอคนไม่ถึงหกมือนแต่นี้ก็ท่านพูดถึงหกหมืนต้นบัวบาลีเขาเรียกว่าอนเนกสังขยาคือวันเกินร้อยไปแล้วก็นับเป็นหมื่น บางทีก็นับเป็นแ4 0หมื่นสี่พันก็ไม่ควรติดใจอะไรมากหรอกแต่ก็สรุปร่าแนวความคิดตรงนี้แหละก็ทำให้คนสวายงามมกสะคือทางหลุดพ้นในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกหมายความจันจะสรุป ก็มีขณาจารย์เจ้าลัชิใหญ่อยู่6กลทัทธิเดียกันคือปุรณากัสปะมัคลิโคสารสัญชัยเวรัตบุตรประกุท ธ, ธกัจจยนะอาชิตเกสกรรมพรนิครนนาฐบุตรก็คงแบ่งไปสองแนวอยู่เหมือนเดิมมาแหละหมายความเป็นแนววัตถุนิยมอย่างอาชิตเกสกรรมพลก็ดีปรกุท ธ, ธากัจจยนะก็ดี หรือแม้แต่ปุโรหะ ก, กสปะเองกด็ดีก็มีแนวความคิดในแนวที่เรียกว่าเป็นโลกาญาตรหรือโลกายตะก็ให้ความสาคัญแก่วัตถุไปเสดบาบุญคุณโทษเหมือนกันวันนั้นทั้งสาริบุตรทั้งโมคะลานะหรือทั้งโกริตะทั้งอุปติสสะนะสมัยนั้นเขาเรียกว่าโกริตะกับอุปติสสะเนี่ เลยก็นั่งมองรศบโดยไม่ใส่ใจไม่หัวเราะในคราวที่ควรหัวเราะไม่ตบมือในคราวที่ควรตบมือไม่แสดงความชื่นชมในคราวที่แสดงความชื่นชมไม่แสดงโศกเศร้าในคราวที่ก็โศกเศร้ากันแสดงว่าไม่สนุกละดูมาราศบคืนนั้นไม่สนุกเพราะฉะนั้นจึง ออกมาอย่างซึมซึมทั้งคู่แล้วก็สอบถามกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยสนุกเลยปรากฏว่าคิดตรงกันทั้งคู่เอาถ้างั้นเราคิดตรงกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันออกบวช ด, ดีกว่าไปสวดหามโหกระทํากันทีนี้เวลาเข้ามาเนี่อัตรกระถาเขาเล่านะฮะอัตรกระถาเขาเล่า เวลาเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าสารีบุตรเนี่ยจะนั่งสเสลี่งมาโมคลานะก็จะนั่งรถม้ามามีกะบวนติดตามถึงห้าร้อยใหญ่โตก็บวนยาวเหยียดแหละก็เรียกว่าหนึ่งพันก็อะ้กันนึกดูว่ารถม้าก็มีคนขับหนึ่งคนก็จะมีพี่เลี้ยงนั่งร่วมมาในคันรถรถคันอื่นก็บริวารทั้งนั้น ไอวอร์รเสเลียงมันก็ต้องมีคนหามทั้งสี่นะครับคนหามทั้งสี่คนก็มากันห้าร้อยเราจะเห็นว่าสี่ห้าก็ยี่สิบโอ้เยอะเลยคนเยอะเลยเรียวกว่สองพันก็เรียกว่าสองคนนี้มาทีเดียว วงร่นวงวงการเล่นการแสดงก็รวยแล้วเพราะก็ตัดสินใจว่าควรจะคืนทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยให้ไปทางบ้านก็ตกลงแบ่งบริวารกันแบ่งบริวารฝ่ายละเท่าไรละฝ่ายละ250ให้นมรถมากระนำเสลี่ยงเนี่ยกลับบ้านของกันและกัน ก็เหลือคนอีกห้าร้อยฝ่ายละสองรอยห้าสิบก็ตัดสินใจตอนนั้นก็คงจะไม่ละเอียดละออเท่าไหร่หรอกก็ไปบวชในสำนักสันชัยปริภาชกสันชัยปริภาชกนั้นท่านพูดไม่รู้เรื่องก็เรียวกว่าฟังไม่รู้เรื่องเพาไม่รู้ท่าน จ, าจะเอาอย่างไง ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่รู้จะเอาอย่างไงคือสรุปว่าไม่รู้ทัานจเอาอย่างไงกันแนะ่เขาเรียกว่าอมาราวิเขปิกาคือมันลื่นเหมือนกับปาลาไหลจับไม่ติดเลยไม่รู้อะไรกันแนะ่เพราะฉประเรียนพักเดียวมันก็แตกฉานหมดเลยทะลุโปร่ปรปรงในลัฐที่ก็อาจารย์รอาจารย์โง่ลูกศิษย์ฉลาดอนะ ในสุดก็เห็นร่วมกันว่ารัติสัญชยัยในไรสระไม่จะทางแหง่งโมกษาหรอกเพราะเราหากันใหม่แต่าในที่อื่นไปแต่หาวว่าจะหาในที่ไหนจะตัดสินใจยกขบวนมาทีเดียวห้าร้อยมันก็เรื่องใหญ่แล้วก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราสองคน ใครพบโมัดทำก่อนก็ให้บอกแก่กันอะไรกันวันหนึ่งอุปติสสะก็เดินไปในกรุงราชสุข ก, ก็ไปเห็นพระอัสสชิเทระซึ่งตอนนั้นก็พระจ้าทรงส่งไปเผยแผ่ศาสนาในยุคหกสรูปแล้วก็ตามไปทีหลังอีกส0สิบรูปรวมแล้วเป็นเกสิรูปนี ก็ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้บอกผลงานนะว่าท่านไปบวชคนมาได้สักกี่คนไปดำน้ำลุกสิทธ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าสักกี่คนเนี่ยตำนานไม่ได้บอกออกไ้เหนี้ดาวบทของพระสัชิเทระเดินไปบินทบาทเนี่ยมันผิดกับนักบวชทั่วไปที่อุปติสสะปริภัทชกเคยเห็น ดูเรียบร้อยสวยงามจะก้าวจะย่างจะถอยหลังจะเหลียวซ้ายจะมองขวาดูสํารวมระวังไปหมดเลยส ง, งบเย็นอยู่ข้างในมันมีความรู้สึกว่าท่านเหล่านี้ส ง, งบเย็นยิ่งนักมันจะต้องเป็นสาวกของพระอรหันทรูปใดรูปหนึ่งหรือเป็นพระอระหันทรูปใดรูปหนึ่งก็ถูกอย่างนึงแหละถ้าไม่เป็นสาวกก็ต้องเป็นพระอระหรันทร เลยก็เดินตามหลังไปด้วยความเคารพปเทระเ ท, ที่ยวบินทบทัตพอได้อาหารพอสมควรสมัยนั้นวัดวารามอะไรยังไม่มีนะฮะมีก็พระเจตะวัน อ, อ๋อพระเจตะวันก็ก็ยังไม่เกิดนะฮะพระเจ้ตะวันก็ยังไม่เกิดก็เออไม่ใช่พระเวรุวันยังไม่เกิดก็ใกล้ใกล้กันนั่นแหละก็ พอไปถึงเมื่อพระสชชิจะนั่งลงฉันอาหารเนี่ยท่านท่านท่านถือต่างด้วยนะฮะท่านถือต่างเป็นอาสนะเป็นที่นั่งสีขาเนี่ยเตี้ยเตี้ยเลอกระวางถวายให้พระเทรานั่งและตัวเองก็ทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ปฏิบัติวัดถากด้วยความเรียบร้อยสวยงามเสร็จพระเทราชันเสร็จก็เข้าไปกราบ แล้วก็เรียนถามว่าพระ พ, พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครมาจากไหนท่านชอบใจธรรมของใครใครเป็นาศาสดาของท่านพระสัจเจก็ท่านมองเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเพิ่งเกิดมีคนตอนนั้นมีพระตอนนั้นก็ไม่มากพวกปุรานชาดินา จ, จะบวชแล้วอยู่จะดูเข้าความและต้องบวชแล้วแหละ ก็ถ้าถ้าบวชแล้วก็แสดงว่าก็มีอยู่พ10ันพันสามสิบพันเก้าสิบอยู่พันกสิบรูปปริพาชกนั้นเป็นนักบวชนอกาศาสนาถ้าจะแสดงธรรมให้พิสดานเนี่ยมันก็ไม่สมควรเพราะท่านก็พูดในธรรมนองถ่อมตนว่าอาตมาเป็นสาวกของพระ ผู้มีพระภาคเจ้าโปร่งร่งเป็นศาสดาของธรตมภาพแต่มาเองก็บวชไม่นานหรอกไม่สามารถแสดงธรรมโดยวิจิตพิสดารได้สารีบุตรก็บอกว่าไม่ต้องแสดงโดยวิจิตพิสดารหรอกข้าพเจ้าชื่อว่าสารีบุตรมีปัญญารอบรู้สามารถจะนับมเมล็ดฝนที่ตกลงมาจากฟ้าได้ ขอพระอาจารย์แสดงสั้นๆก็พอละปฏิราก็แสดงหัวใจพระพุทธศาสนาเลยแสดงอริยสัจนะฮะโวยรทมาเหตุตุปปภาเตสังเหตุงตถากะโตเตสั ญ, ญญโยนิโรโธจะเอวังวาดีสมณนะมหาสมโนะทมตั้งหลายเกิดแต่เหตุ ประตาฐาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้หมายความมาทุกก็เกิดมาจากเหตุคือสมุทยัยไอโมกธรรมหรือนิโรธเนี่ยมันก็เกิดมาจากเหตุคือมรรคเพราะถ้าเมื่อเราไม่ต้องการทุกเราต้องดับที่เหตุคือดับสิสมุทยัย เราต้องการนิโรธเราก็ต้องสร้างเหตุคือมัรมันก็เป็นกฎอย่างเงี้ยด้วยคาถาเพียงสองบรรทัดเท่านั้นเองอุปติสะปริภาชกตีออกเป็นในยะร้อยในพันในวิจิตพิสดารมองเห็นโลกสว่างโพร่งเลยว่าเป็นกระบวนการของเหตุผล แล้วก็บรลุมักผลเป็นพระหันก็ถามพระเถระว่าเวลานี้พระาศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนหมายความว่ามีาศาสดาคนเดียวกันแล้วใช้คําใหม่นะใช้คําว่าพระาศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนพระสัชชิก็บอกว่า ประทับอยู่ที่พระเวรุวันกเกวรุวันก็เกิดใกล้ๆกันนั่นแหละก็แสดงเวรุวันเกิดแล้วนะฮะแต่ก็ใกล้กันมากก็บอกว่าขอท่านอาจารย์ล่วกหน้าไปก่อนกระผมมีเพื่อนและบริวารอยู่จะกลับไปชวนคนเหล่านั้นไปด้วยไปิข้อประสาสดาดด้วยกัน ก็เดินหน้าตาเบิกบานแจม่มใสช่มชื่นอุปติสกุลิตาปริภาชกมองเห็นจากจากไกลเลยบอกว่าสายของเราคงบรรลุมุมกธรรมแล้วเผยอาการที่ปรากฏนั้นไม่เคยเห็นเลยในชีวิตนะ่ะเป็นเพื่อรักกันตั้งแต่เด็กๆไม่เคยเห็นเลยอาการอย่างเนี้เลวก็สอบถามว่าตอนนี้ท่านได้บรรลุมุกธรรมแลหรือ ภูปิิศาก็บอกได้บรรลุแล้วแล้วก็เล่าวความเป็นมาทั้งปวงให้ทราบ พ, พร้อมกับแสดงภาษิตสองบรรทัดนั่นแหละให้โมกขลานาฟังโมกขลานะหรือโกดีตาฟังแล้วก็บรรลุมรคนเป็นพระโสดาบันเหมือนกันตกลงว่าโมกขล า, านานั่นเป็นคนใจร้อน บอกถางั้นเราไปรีบไปเฝ้าพระศาสนาส า, สาสรีบุตรก็บอกว่าเดี๋ยวกอเราไปชวนท่านอาจารย์ไปด้วยดีกว่าสารีบุตรนั้นก็กตันยูนะฮะเป็นคนกะตันยูมากได้รับอุปการะคุณอะไรจากใครนิดๆห น, น่อยนีย่ท่านก็สํานึกคุณเป็นเรื่องใหญ่เลยเราตกลงสองคนก็ไปพบสันชัยปริภาชก ล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นแหน่ทราบแล้วก็บอกว่าอาจารย์เดียเนี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเราไปภาพพระพุทธเจ้าด้วยกันไหมสันชจยบอกไม่เอาเราเราเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสอนลูกศิษย์มา น, นาน การที่นิ่งๆจะไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยนะฮะมือก็จับจระเข้มันใส่ลงในตุ่มอยู่ยากอยู่ลำบากเราอยู่ที่นี้อ่อนวอนยังไงท่านก็ยืนยันอยู่อย่างนั้นตาไดบุตรก็ขู่บอกอาจารย์คิดดูไว้ดีนะเวลานี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก คนตั้งหลายก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาแล้วอาจารย์จะอยู่กับใครอ่ะใครจะคารวะนับถืออาจารย์สันใจก็บอกว่าเออให้ลองคิดดูเถิดในโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมาก จะไบุบอกคนโง่ามากคนฉลาดน้อยสนชัยก็บอกโอ้ยแต่อย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกคนฉลาดฉลาดก็ไปหาประสัมนมาโคโดมผู้ฉลาดคนโง่โงก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่เธอก็ยังอยู่ได้สบายในสุขเห็นว่าพูดไม่สาเร็จผลแล้วก็เรียกประชุมลูกศิษย์เล่าความทั้งหมดให้ทราบ ลูกศิษย์สองรอยห้าสิบเนี่ยกระตือรือร้นมากที่จะไปฆ่าพระพุทธเจา้าลูกศิษย์ที่สองรอยห้าสิบนั้นก็แกนแกนไปงนั้นเองอเดินตามไปเป็นแกนแกนแต่ว่าสัชใจเองที่มันช็อกเลยนะฮะคนออกจากอาสมทีเดียวห้าร้อยเนี่ยบ้านมันร้างเลยนะอาสมมันร้างเลย เหมือนวัดใดวัดหนึ่งที่พระอยู่กันเป็นร้อยแล้วก็ออกจากวัดพรึบเดียวเลยริ้งสมภารไว้องค์เดียวสมภารก็ช็อกเป็นกั น, กนนะอยู่ไม่ได้จนในสุดท่านกระอักเป็นโลหิตสดๆอีสองร้อยห้าสิบที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรที่จะไปเฝ้าก็สแสดงว่าวาสนาบา ร, รมียังไม่แก่กล้าพอ คือไม่รู้สึกตื่นเต้นชื่นชมต่อการอุบัติของพระพุทธเจ้าดังนั้นที่สุดท่านก็ไม่ได้ไปนะกลับไปอยู่กับสันชัยปริพาชกเซสองอยห้าสิบวันสาริบุตรกมกลานะก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับบริวารนี่สองอยห้าสิบแต่ถึงก็กลาบทูลเล่าความเป็นมาของตัวเองให้ทราบ กราบถูดเรื่องการสนทนากระสันชัยให้ทรงทราบแต่พระพุทธเจ้าพอเห็นเนี่ยพรเจ้าตอนนั้นก็นั่งอยู่ท้ำกลางพระอรหันต์หนึ่งพันรูปคืออดีตกุรานชดินพอเห็นสองท่านมาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นปริพาชกนะฮะก็ทรงชี้บอกว่านุนอาัคารสาวกทั้งสองของรัถาคตมาแล้วก็คือสาริบุตรและโมคขลานะั จะรู้ล่วงหน้านะและรู้ชื่อรู้อะไรหมดเลยเมื่อท่านมาเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นกลางกงไม่ได้ไปท่วงติ้งอะไรหรอกบอกว่าคนที่มีความคิดผิดเป็นทางดาเนินของชีวิตก็จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เพราะว่าจิตมันดําเนินไปในทางผิดเขาไม่มีทางที่จะประสบสิ่งที่เป็นสาระได้หรอกแต่คนที่มีความดัมมิชอบเป็นทางดําเนินของจิตมีความชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นสาระมองเห็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไป่ไม่เป็นสาระเขาก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระ เรามีความดำ่รีชอบเป็นทางดำเนินของจิตตุกัตธรรมเทศนาเนี่ยบริวารบรรลุมักผลเป็นพระหันหมดเลยพระโมกขลานาต่อจากนั้นอีกเจดวันก็ได้บรรลุประสาริบุตรต่อจากนั้นสิ้าวันก็ได้บรรลุประสาริบุตรบรรลุในวันที่เจาตรงค์กสันนิบาตนั่นแหละ ควันมาข้าพุทานั่นแหละคือจำง่ายดีเพราะว่าท่านบนรรลุแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากภูเขาปันดาวะพระหารททั้งหลายก็มาประชุมกันแระารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลเราก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะมาประชุมกัน เดวุจาก็ทรงแสดง อ, อวตารปติมโมทีนี้ด้วยความสำนึกคุณของพระเสชิเตระเนี่ยท่านได้แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระเทระแม้ว่าภายหลังจะดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครสาวก บ, บรารมีภูมิเมื่อทราบว่าพระ อสชีเถระอยู่ในทิศใดก็ประคองอัญชลีนามัสการไปในทิศนั้นเวลาจะจำวัดแล้วก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นด้วยคือแน่นอนแหละถ้าหากว่าสมมติว่า พระสาชชิอยู่ทางทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันออกท่าน่าคงต้องนอนอีกแบบคงไม่หันหน้าไปทางคงไม่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกหรอกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องหันเท้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่แต่ว่าโอกาสบังเอิญอย่างนั้นมันคงยากนะ ทีการกระทาของท่านเนี่ยเป็นที่ปรากฏแก่ภิกษุทั้งหลายก็ทู่ติเตียนว่าภาษารีบุตรนี่บวชมาทั้งนานแล้วยังไหวทิศอยู่เลยการไหวทิศเนี่ยเป็นกิจกรรมของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาปุจจาเห็นว่าภิกษุปากเปลาะไปหน่อย เลยก็เรียกมาไปชุมกันแล้วก็ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพระสารีบุตรก็ก็ไม่ตอบหรอกเพราะว่าพรเจ้าจทรงปรารบเหตุที่จะอธิบายอยู่แล้วก็รับสั่งว่าเรื่องนี้พระองค์ทรงรู้ดีอยู่แล้ว องจึงทรงแสดงเหตุนั้นรับสั่งว่าติสูตทั้งหลายบุคคลรู้ธรรมที่ประสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วจากผู้ใดควรนอบน้อมผู้นั้นโดยเคารพหมายความว่าความรู้สุดๆของเราเนี่ย คือสัปดาหานังธมานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงก็แสดงว่าคนที่ได้เรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันก็ได้สิ่งที่เลิกเพราะว่าในความเป็นธรรมะมันทำหน้าที่ขจัดโมหะคือความไม่รู้ในธรรมะเหมือนคุณค่าของธรรมะแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดโลภะขจัดโทสะขจัด ราคาขาะขจาริศยาเป็นต้นจนพระสารีบุตรเองเนี่ยท่านรู้ธรรมาจากพระสัชชิตแล้วก็ตายบนไดาอเรียมักมาจนถึงเป็นพระโสดาบันเป็นอมปมะตะธรรมนะฮะคือธรรมที่ไม่ตายผลคุณความดีของท่านไม่อาจจะนับจะประมาณได้หรอก แต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่ยึดติดในการทำหน้าที่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าพระสารีบุตรนั้นท่านมีอธัธยาศัยกาตัญญูกะตะเวชีมีความสำนึกคุณเรื่องเล็กๆลกน้อ ย, อยเรื่องข่าทัพพีเดียวท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญจะต้องแสดงความเคารพอ่อนน้อมในการตอบแทนบุญคุณของบุคคลผู้นั้น ตนเคยได้รับการตักบาตรจากราธาพรามด้วยข้าวเพียงหนึ่งทพีแต่ธาธาพรามประสบชตา ก, กรรมคือต้องการจะบวชไม่มีใครบวชให้เพราะเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วพระเจ้าก็รับสั่งถามพระสงฆ์ที่มาประชุมกันว่าใครระลึกถึงอุปการะพรามของคนุนอุปการะของพรามคนนี้บ้างส่านทุ่บวชก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้ วันหนึ่งข้าพระองค์เทพบินทบาทในกรุงราชครื้ปลายผู้นี้ได้ตักบาทแก่ข้าพระองค์หนึ่งทพีพระุเจ้ารับสั่งว่าถ้าเป็นเช่นนั้นการจะสงเคราะห์ให้พราหมณ์ซึ่งมีอุปการะแก่เรามาโดยการช่วยบวชให้เนี่ยจะเป็นการไม่ดีหรือท่านก็รับพระพุทธเจ้าแล้วก็จัดการบวชให้ราธพรามณ และตาพรามก็กลายเป็นพระอาหารหันนะฮะเป็นพระอาหารหันระดับเอตตะค่าเลยแม่ของท่านในชาติอดีตไกลมากก็เป็นยักษ์กินีอยู่มาแสดงตัวบอกให้ทราบว่าใครเป็นใครแล้วขอให้ท่านทำบุญที่กุศลส่งไปให้ด้วยขอพระเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง เลยก็ไปเที่ยวบินทบาตกับพระโมคกรลานะได้อาหารมาแล้วก็จัดแบ่งเป็นส่วนๆในโบนพระมารับสังฆทานถาวายสังฆทานอุทิศกุศลไปให้อดีตมารดาไม่รู้ในชาติที่ตะไรอะนะมาความอาดีตไกลทีเดียว คือเป็นต้นแบบของคนที่กตัญญูกตวเวทีจิตใจของคนยิ่งละเมียดละไมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเช่นสมมติว่าจิตใจของเรามีความสำนึกกตัญญูกตวเวทีต่อธรรมชาติคือดินน้ำลงอยอากาศภาว่าโลกร้อนรุนแรงอย่างนี้มันไม่เกิดหรอกแต่ความคิดเหล่านี้มันถูกทำลายไป ถูกทำลายไปในหลังสงครามโลกครั้งที่สอง น, น, นักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยที่เขาสอนอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยคือเขามองไม่ค่อยเป็นระบบอะไรก็งมงายอะไรก็งมงายทรูุไม่เหมือนเขาแล้วงมงายหมดเลยโดยไม่เข้าใจในยะที่มันลึกซึ้งกว่านั้น ไม่เข้าใจในย่าที่ลึกซึ้งกว่านั้นการอนุรักษ์น้ําอนุรักษ์ดินอนุรักษ์อากาศอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งน้ำำานําลําธารต้นน้ำำานําลําธารใดๆต่างๆเนี่ยมันกระทบก่อประชาชนในทางบวกแล้วเมลโลกส่วนรวมเขาปฏิบัติอย่างนั้นแต่ความสมดุลก็ธรรมชาติมันก็ดํารงอยู่ สังคงก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะกล่าวหาคนอื่นงม ง, งายแต่นั้นเนี่พวกดอกเตอร์ดอกแตกทั้งหลายเนี่ยบางทีเรียนทั้งหลายด็อกเตอร์ควางคิดมันก็แปลกไม่คิดว่าทำไมไม่มองในยะอื่นละทำไมคุณมองโดยในยะเดียวละเรื่องแต่ละเรื่องมันมีหลายมิติมันไม่ได้มองมิติเดียว ตีต่างว่าเราไม่ยอมทิ้งของตกปรกลงในแม่น้ำเนี่ยความสะอาดของแม่น้ำนั้นแน่นอนความตื้นเขินของแม่น้ำก็จะช้าลงปริมาณของน้ำก็จะไหลคล่องขึ้นและในขณะเดียวกันก็การกักเก็บน้ำของคลองนั้นๆของแม่น้ำนั้นๆก็มีปริมาณมากขึ้น มันช่วยในกา ร, กรเกษตรช่วยในการอุปโภคตลอดถึ้งบางแห่งก็ช่วยในการบริโภคผลานิสงเหล่านี้ที่จริงไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือหรอกคนมนษนั่งคิดเกาได้แล้วคนที่เคยเห็นแม่น้ําก็ไม่ต้องไปที่แม่น้ําหรอกนั่งคิดเอาก็ได้แล้วเราจะเห็น คุณประโยชน์ของดินของน้ําของลมของไฟของอากาศเพราะนี่คือธาตุที่อยู่ในร่างกายเราและอยู่ข้างนอกเราดินน้ำรถไฟอากาศ ก, าก็หล่อเลี้ยงเรามาตลอดเราขาดเขาเพียงห้าหกนาทีเราก็ตายแล้วขาดลมห้าหกนาทีเราก็ตายแล้วขาดอากาศเราก็ตายแล้ว ขา ด, ดินขาดน้ำํำเราก็ตายแล้วคือเราไม่ไม่ไม่ก็ ค, คิดลึกซึ้งอย่างนั้นแต่โบราณเนี่ยท่านสอนนิยต์ที่ใช้ความกลัวนําเพราะว่าคนฟังเนี่ยไม่มีพื้นฐานความรู้มากพอที่จะคิดได้เป็นระบบอย่างนั้นท่านก็ใช้วิธีกํำราบด้วยความกลัวคือให้กลัวไว้ก่อน ทีนี้ถ้าต้องการเหตุผลก็ค้นสิค้นควาคิดสิหาเหตุผลสิแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมองเห็นคุณประโยชน์ของธาตุคือดินน้ำน้ำฝอยอากาศก็จะมีการนรักธรรมชาติเพราะนคนเราเป็นนันมากที่เมื่อก่อนก็ประมาณยี่สิบสามสิบสี่ิบปีที่แล้วเนี่ยนะ สี่สบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ ย, ยเราจเหนว่าป่าธรรมชาติยังดีอยู่เรือยๆตอนนี้ทำลายปนปีหมดเลยไม้สักเล็กๆไม้ตะเคียนเล็กๆไม้เต็งรางเล็กๆนี่ถูกขนไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความคิดเลยคิดคล้ายๆกับโลกมันจะอยู่ชั่วอายุของเราไม่ได้คิดถึงลูกถึงหลานที่จะเกิดติดตามมา ความคิดนี้มันก็แคบมาเรื่รอยๆนะแคบมาเรื่รอยๆไม่ได้คิดถึงลูกถึงหลานเลยเพาะการแสดงความอดน้อมเคารพต่อสิ่งที่มีอุปกรณทั้งหลายในที่นี้ก็คือปราสิชิเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะครับเอ๋ทงแสดงว่าเหมือนพรามนอบน้อมการบูชาเพลิงอยู่ฉะนั้น คือเพลิงเนี่ยพระเพลิงเนี่ยหรือไฟเนี่ยพรามก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของสุริยเทพเขาให้ความเคารพนับถือไฟเขาก็บูญชาวไฟแน่นอนและก็มีการเผาไหม้มีการทำลายส่วนหนึ่งก็เพิ่มภาวะโลกร้อน แต่เราก็จะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าการบูชาด้วยไฟเนี่ยมันมีอยู่ทุกศาสนาศา ส, สนาพุทธอย่างน้อยก็มีทูกเทียนะบูชาด้วยไฟศา ส, สนาคริสก็มีเทียนไปอย่างน้อยศา ส, สนาดืนก็มีทูกเทียนส่วนใหญ่แล้วเขาทำแล้วเขารู้สึกสบายใจ พระวสาบริบุตรนึงดึงเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบประการหนึ่งของคนดีว่าจะต้องสํานึกกตัญยูกตวเวทียิ่งเราเรียนรู้ทมจากครูบาอาจารย์คนใดแล้วก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ตลอดชีวิตแหะคื อ, อยังไงเราต้องเคารพนังถือเกรงอกเกรงใจให้เกียรติบางทีอายุเรามากกว่าเขาแต่เขาคือครัว ครูในเรื่องเหล่านั้นเราก็ต้องเคารพนับถือตรงนี้ถ้าคนได้คิดนะแล้วคนจะมีอุปราคณต่อกันอยู่ตลอดตั้งแต่ชาวนากรรมกรชาวสวนชาวไร่คนกวาดขยะคนกวาดถนนมีคุณอุปการต่อสังคมโดยรวมด้วยกันทั้งนั้นความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีและน่าจะยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหม่ามิตรลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิมงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเดินงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี